8. มหานารธทกสปะชาดกว่าด้วยพระมหานารธทกสปะทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระราชาของชาวแควนวิเทหะทรงพระนามว่าอังคติทรงมีพระราชยานพระราชทรัพย์มากมายทรงมีพลนิกายเหลือที่จะคนานับเมื่อปฐมยามคืนวันเพ่นเดือนสี่ซึ่งเป็นเวลาที่ดอกโกมุตบานยังไม่ผ่านไปพระองค์รับสั่งให้ประชุมเหล่าอมาร ราชบัณฑิตพูดถึงความพร้อมด้วยการศึกษาเล่าเรียนมีปกติยิ้มก่อนจึงพูดฉเฉลียวฉลาดและอมาตผู้ใหญ่อีกสามนายคือ 1. วิชัยอมาตสอสุนามะอมาตสาอลาตะเสนาบดีอมาตพระเจ้าวิเทหะตระถามอมาสามนายนั้นทีละคนว่าท่านทั้งหลายจงกล่าวตามความพอใจของตนของตนว่า ในคืนวันเพ็ญเดือนสีนี้ดวงจัน์แจ่มจรัสกลางคืนวันนี้เราทั้งหลายจะพึงพักอยู่ตลอดฤดูการเช่นนี้นี้ด้วยความยินดีอะไรลำดับนั้นอลาตะเสนาบดีอมาด้วยกกราบทูลคำนี้แด่พระราชาว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงจัดราชยานกองพลช้างกองพลมา้ากองพลเสนาที่ยินดีร่าเริงแล้วให้พร้อมศั์ ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะนํากองทัพที่ทรงพลังเกรียงไกรออกต่อสู้การยุทธให้ได้พวกใดยังไม่มาสู่อํานาจข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะนํามาสู่อํานาจนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของข้าพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายจะได้ชัยชนะผู้ที่ยังไม่ชนะสุนามะอามาตได้ฟังคําของอลาตะเสนาบดีอามาตแล้วเรีกราบทูลดังนี้ว่า ข้าแต่มหาราชพวกศัตรูของฝ่าพระบาทมาสู่พระราชอำนาจหมดแล้วต่างพากันวางศัตรายอมสวามิภักดิ์แล้วทั้งหมดวันนี้เป็นวันมโหรสพสนุกสนานยิ่งการรบข่าพระพุทธเจ้าไม่ชอบใจขอชนทั้งหลายจงรีบนำข้าวน้ำและของควรเคี้ยวมาเพื่อพระองค์เถิดขอเดชะขอฝ่าพระบาทจงทรงรื่นรมด้วยกามคุณ ในการฟ้อนรำขับร้องและการประโคมอันไพเราะเถิดวิชัยอมาตได้ฟังคำของสุนามะอมาตแล้วเดียกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่มหาราชการทุกอย่างได้ปรากฏแก่พระองค์อยู่เป็นนิดแล้วขอเดชะการเพลิดเพลินด้วยการมคุณทั้งหลายพระองค์ทรงหาได้ไม่ยากเลยทรงปรารถนาก็ได้ทุกเมื่อ การเรื่นรมกามคุณทั้งหลายมิใช่ความคิดเห็นของข้าพระองค์วันนี้เราทั้งหลายควรพากันเข้าไปหาสมณะหรือพราหมผู้เป็นปู้โหสูตรรู้แจ้งอัดธรรมผู้สแสวงหาคุณที่ท่านจะพึงกําจัดความสงสัยของพวกเราได้ดีกว่าพระเจ้าอังคติได้สดับคำของวิชัยอมาตแล้วได้ตรัสว่าแม้เราก็ชอบใจคาพูดของวิชัยอมาตามที่พูดไว้วันนี้ เราทั้งหลายควรพากันเข้าไปหาสมณะหรือพราหม์ผู้เป็นพรูสูตรรู้แจ้งอัฏฐธรรมผู้แสวงหาคุณที่ท่านจะพึงกำจัดความสงสัยของพวกเราได้ดีกว่าท่านที่อยู่ณที่นี้ทุกท่านจงลงมติว่าวันนี้เราทั้งหลายควรพากันเข้าไปหาบัณฑิตผู้รู้แจ้งอัฏฐธรรมผู้แสวงหาคุณที่ท่านจะพึงกำจัดความสงสัยของพวกเราได้ อาลาตเสนาบดีได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าวิเทหะแล้วเลืยกกราบทูลดังนี้ว่าได้มีชีปเปลือยที่ชาวโลกยอมรับว่าเป็นนักปราดอยู่ในมรดกทัยวันชีปเปลือยผู้นี้ชื่อว่าคุณะผู้กัสปะโคตเป็นพระหูสูตรผู้จาไเราะเป็นเจ้าหมูคณนะขอเดชะเราทั้งหลายควรพากันเข้าไปหาท่านท่านจะกาจัดความสงสัยของพวกเราได้ พระราชาได้ทรงสดับคาของอลาตะเสนาบดีแล้วได้รับสั่งสารถีว่าเราจะไปยังมรกคทยวันท่านจงนายานที่เทียมมาแล้วมาณที่นี้พวกนายสารถีได้จัดเทียมพระราชยานที่ทำด้วยงามีกระพองเป็นเงินและจัดรถพระที่นั่งรองที่บุผ้าขาวอันผุดพองดังดวงจันทร์ในราตรีที่ปราศจากมนถินโทษมาถวายแด่พระราชานั้น รถนั้นเทียมด้วยม้าสินทบสี่ตัวล้วนแต่มีสีดังดอกโกมุตเป็นม้ามีฝีเท้าเร็วดังลมพัดวิ่งเรียบประดับด้วยดอกไม้ทองฉัดรถมา้าและพัดวีชนีล้วนมีสีขาวพระเจ้าวิเทหะพร้อมด้วยหมู่อมาศเสด็จออกย่อมงดงามเหมือนดวงจันทร์มูลพลราชบริพารผู้กล้าหาญอยู่บนหลังมา้า ถือหอกดาบตามเสด็จจอมกษัตริย์ผู้ประเสริฐกว่านอรชนพระเจ้าวิเทห์บรมกษัตริย์พระองค์นั้นเสด็จไปถึงมรกคทาย ว, วันโดยครู่เดียวเสด็จลงจากพระราชยานแล้วทรงดำเนินเข้าไปหาคุณาชีวะกะพร้อมด้วยหมูอมาตย์ในคราวนั้นมีพราหมณ์และข้าพดีแม้เหล่าใดมาประชุมกันในพระราชอุทยานนั้นพระราชาไม่ให้พราหมณ์และพระบดีเหล่านั้น ผูนั่งอยู่ที่ภาคพื้นซึ่งไม่ได้เว้นที่ไว้ลุกหนีไปลำดับนั้นพระราชาเสด็จเข้าไปประทับนั่งบนราชอาณาจที่ปูล่าด้วยพระยี่ผู้มีสัมผัสอันนุ่มณที่อันสมควรได้ทรงปราศัยไต่ถามสุขทุกข์ว่าพระคุณเจ้าสบายดีอยู่หรือลมไม่ได้กระเริบเสียดแทงหรือพระคุณเจ้าเลี้ยงชีวิตโดยไม่ฝื่เคืองหรือ ได้บินทบาทพอประทังชีวิตให้เป็นไปอยู่หรือพระคุณเจ้ามีอาภาษน้อยหรือจากสุไม่ได้เสื่อมไปหรือคูณนาชีวะกะทูลปรสาสัยกับพระเจ้าวิเทหะผู้ทรงยินดีในวินัยว่าถวายพระพรมหาบพิษอาตมภาพสบายดีทุกประการบ้านเมืองของพระองค์ไม่กำเริบหรือช้างม้าของพระองค์ไม่ได้มีโรคหรือราชพานะก็ยังเป็นไปหรือ พญาธิไม่มีมาเบียดเบียนพระวรกายของพระองค์บ้างหรือลำดับนั้นพระราชาผู้เป็นจอมทัพทรงใครท่ทำอันอาชีวกทูลชมเชยแล้วได้ตรัสถามอัธรรมและเหตุในลำดับว่าท่านกัสปะนรชนพึงประพฤติธรรมในบิดาและมารดาอย่างไรพึงประพฤติธรรมในอาจารย์อย่างไรพึงประพฤติธรรมในบุตรพ ญ, ญายอย่างไร พึงประพฤติธรรมในวุฒธบุคคลอย่างไรพึงประพฤติธรรมในสมณะและพราหมอย่างไรพึงประพฤติธรรมในพนิกายอย่างไรพึงประพฤติธรรมในชาวชนบทอย่างไรชนทั้งหลายประพฤติธรรมอย่างไรและโลกนี้แล้วจึงไปสู่สุคติส่วนคนบางพวกไม่ดำรงอยู่ในธรรมทำไมจึงตกนรก คุ่นาชีวะกะกัสปะโคดได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าวิเทหะแล้วเลือกกราบทูลดังนี้ว่าขอถวายพระพรมหาปพิธขอพระองค์ทรงสดับทางที่จริงแท้ของพระองค์เถิดผลดีผลชั่วแห่งธรรมที่ประพฤติแล้วไม่มีข้าแต่ส ม, มุติเทพโลกอื่นไม่มีใครเล่าจากโลกอื่นนั้นมาสู่โลกนี้ข้าแต่ส ม, มุติเทพปู่ย่าตายายไม่มี มารดาบิดาจะมีได้แต่ที่ไหนชื่อว่าอาจารย์ไม่มีใครจะฝึกคนที่ยังไม่ฝึกสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ทัดเทียมกันหมดผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญไม่มีกำลังหรือความเพียรไม่มีบุรุษผู้มีความหมั่นจะได้รับผลแต่ที่ไหนสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดตามกันมาเหมือนเรือพ่วงตามเรือไปสัตว์ย่อมได้สิ่งที่ควรจะได้ในข้อนั้น ผลทานจะมีแต่ที่ไหนข้าแต่ส ม, มุติเทพผลทานไม่มีเขาไม่มีอำนาจไม่มีความเพียรพระเจ้าค่ะพวกคนพานบัญญัติทานพวกบัณดิตรับทานพวกคนพานถือตนว่าเป็นบัณดิตเป็นผู้ไร้อำนาจย่อมให้ทานแก่นักปราทั้งหลายรูปกายอันเป็นที่รวมเจ็ประการ น, นี้คือหนึ่งดินสองน้ำสามไฟ สีล่ลมหสุข6ทุกเจ็ชีวิตเป็นของเที่ยงไม่ขาดศูนย์ไม่กําเริบความขาดศูนย์ไม่มีแก่สัตว์เหล่าใดรูปกายเจประการ น, นี้ย่อมมีแก่สัตว์เหล่านั้นผู้ฆ่าผู้ตัดหรือใครๆผู้ถูกฆ่าก็ไม่มีสัสตราทั้งหลายสอดแทรกเข้าไปในระหว่างรูปกายเจประการ น, นี้ผู้ใดตัดศรีรษะของผู้อื่นด้วยดาบที่รับแล้ว ผู้นั้ น, นไม่ชื่อว่าตัดรูปกายเหล่านั้นในการทำเช่นนั้นผลบาปจะมีแต่ที่ไหนสัตว์ทุกจาพวกท่องเที่ยวอยู่ในวัตตสงสาร84มหากับย่อมบริสุทธิ์ได้เองเมื่อยังไม่ถึงการนั้นแม้สำรวมดีแล้วก็บริสุทธิ์ไม่ได้เมื่อยังไม่ถึงการนั้นแม้จะประพฤติความดีมากมายก็บริสุทธิ์ไม่ได้แม้ถ้าทาบาปไวมากมายก็ไม่ร่วงพ้นขณะนั้นไปได้ ในวาทะของเราทั้งหลายความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ตามลำดับเมื่อถึง8ปกสิบัพวกเราย่อมไม่ล่วงเลยเขตที่แน่นอนนั้นเหมือนสาครไม่ล้นฝั่งไปอลาตะเสนาบดีได้ฟังคำของคุณนาชีวะกะกัสปะโคตแล้วเดียกล่าวดังนี้ว่าเขาพระเจ้าชอบใจคำของท่านผู้เจริญตามที่กล่าวไว้แม้เขาพระเจ้าเองคตรลึกชาก่อนที่ตนท่องเที่ยวไปได้ คือในชาติก่อนข้าพเจ้าเกิดในกรุงพาราณสีที่เป็นเมืองมั่งคัง่งเป็นพรานฆ่าโ ค, โคชื่อปิงคละข้าพเจ้าเกิดในกรุงพาราณสีที่เป็นเมืองมั่งคั่งแล้วได้ทำบาปกรรมไว้เป็นอันมากคือได้ฆ่าสัตว์มีชีวิตได้แก่กระเบือสุกรแพะเป็นจำนวนมากจุติจากชาตินั้นแล้วเมื่อเกิดในตระกูลเสนาบดีอันบริโบนี้บาปไม่มีผลแน่นอน ข้าพเจ้าจึงไม่ต้องไปตกนรกครั้งนั้นในกรุงมิธิลานี้ได้มีคนเข็นใจเป็นท่าชื่อว่าวีชกะกำลังรักษาอุโบสถเข้าไปยังสำนักของคุณาชีวกะได้ฟังคำของกัสปะคุณาชีวกะและของอลาตะเสนาบดีกล่าวกันแล้วจึงถอนหายใจอึดอัดร้องไห้หลั่งน้ำตาพระเจ้าวิเทหะได้ตรัสถามนายวีชกะนั้นว่า สหายเจ้าร้องไห้ทำไมเจ้าได้ฟังได้เห็นอะไรมาหรือเจ้าได้รับทุกขเวทนาอะไรจงบอกให้เราทราบเถิดนายวีชกะได้ฟังพระราชดำรัสของพระเจ้าวิเทหะแล้วด้วยกราบทูนให้ทรงทราบดังนี้ว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์ไม่มีทุกขเวทนาเลยขอพระองค์ได้ทรงสดับคำของข้าพระพุทธเจ้าเถิด แม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ยังระลึกถึงความสุขในชาติก่อนของตนเองได้คือในชาติก่อนข่าพระพุทธเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐีชื่อว่าภาวะเศรษฐียินดีในคุณธรรมอยู่ในเมืองสาเกตข่าพระพุทธเจ้านั้นได้รับการยกย่องจากพราหมณและข้บดียินดีในการบริจาคทานมีการงานสะอาดระลึกถึงบาปกรรมชั่วที่ตนเคยทําไว้ไม่ได้เลยข้าแต่พระเจ้าวิเทหะ ข้าพระพุทธเจ้าจุติจากชาตินั้นแล้วมาเกิดในคันของนางกุมภธาศีซึ่งเป็นหญิงขัดสนยากจนในกรุงมิถิลานี้ตั้งแต่เวลาที่เกิดมาข้าพระพุทธเจ้าก็เป็นยาจบเข็นใจตลอดมาแม้ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนยากจนอย่างนี้ก็ยังตั้งมั่นอยู่ในความประพฤติชอบได้ให้อาหารเกล่งหนึ่งแก่ผู้ที่ปรารถนาข้าพระพุทธเจ้านั้นได้รักษาอุโบสถศีล ในวัน14ข่ค่ำ15บ้าค่ำทุกเมื่อไม่เบียดเบียนสัตว์และไม่ลักทรัพย์กรรมทั้งปวงที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ประพฤติมาดีแล้วนี้ไร้ผลแน่ศีลนี้เห็นจะไร้ประโยชน์เหมือนอล า, าตะเสนาบดีกล่าวข้าพระพุทธเจ้ากรรมเอาแต่ความปราชัยไว้เหมือนนักเรงผู้ไร้ศิละปะเป็นแน่ส่วนล า, าตะเสนาบดีกรรมเอาไว้แต่ชัยชนะเหมือนนักเลงผู้ฝึกฝนการพนัน ข้าแต่พระราชาข้าพระพุทธเจ้ายังมองไม่เห็นประตูที่จะเป็นทางนำไปสู่สุคติเลยฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังคำของกัสปะคุนาชีวะกะแล้วจึงร้องไห้พระเจ้าอังคติได้สะดับคำพูดของนายวีชกะแล้วด้วยตรัสว่าประตูสุคติไม่มีท่านยังสงสัยอีกหรือวีชกะได้ทราบว่าสุขหรือทุกข์สัตว์ได้เองแน่นอน สัตว์ทั้งหลายหมดจดได้ด้วยการท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเมื่อยังไม่ถึงเวลาท่านอย่าได้รีบด่วนไปเลยเมื่อก่อนแม้เราก็เคยทำความดีมาขนขวายช่วยเหลือพราหมณ์และข้าพดีทั้งหลายสั่งสอนราชกิจอยู่เนืองๆ ง, งดเว้นจากความยินดีในกามคุณตลอดการมีประมาณเท่านี้ท่านผู้เจริญพวกเราจะได้พบกันอีกถ้าจักมีการคบหาสมาคมกัน พระเจ้าวิเทหะครันตรัสอย่างนี้แล้วเรเชเ ด, จ, เดจกลับไปยังพระราชนิเวศของพระองค์ต่อจากนั้นเมื่อราตรีสว่างแล้วพระเจ้าอังคติรับสั่งให้ประชุมเหล่าอมาร์ตในสถานที่ประทับสำราญของพระองค์แล้วได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่าขอเหล่าอมาร์ตจงจัดการมาคุณทั้งหลายให้แก่เราทุกเมื่อในจันท ก, กะประสาทของเราเมื่อราชการรับถูกเปิดเผยขึ้น ใครๆอย่าได้เข้ามาหาเราอมาตย์ฉลาดในราชกิจสามนายคือ 1. วิชัยอมาตย์สสุนามะอมาตย์ลาตะเสนาบดีจงนั่งพิจารณาข้อราชการเหล่านี้พระเจ้าวิเทหหะครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วจึงตรัสพระดำรัสนี้ว่าขอท่านทั้งหลายจงใส่ใจในการมาคุณให้มากและอย่าได้ไปยุ่งในกิจการอะไรๆในพวกพราหมณ์และขบดีเลย ตั้งแต่วันนั้นมาสองสัปดาห์พระราชกัญญาพระนามว่ารุจาผู้เป็นพระธิดาเป็นที่โปรปรานของพระเจ้าวิเทหะได้ตรัสกับพระพี่เลี้ยงว่าขอพวกท่านจงช่วยกันประดับประดาให้ฉันด้วยและขอให้เพื่อนหญิงของฉันจงช่วยกันประดับพรุ่งนี้สิบห้าค่เป็นวันทิพย์ฉันจะไปเฝ้าพระบิดาพระพี่เลี้ยงทั้งหลายได้จัดมาลายแก่นจันทร์ แก้วมณีสังแก้วมุกดาและผ้าสีต่างๆที่มีค่ามากมาถวายแด่พระนางรุจานั้นหญิงเป็นอันมากแวดล้อมพระนางรุจาราชธิดาผู้มีพระชวีวันงามนั้นผู้ประทับนั่งอยู่บนพระพัทธรบิดสวยงามยิ่งนักดังนางเทพกัญญาพระนางรุจาราชธิดานั้นทรงประดับสรรพาพรเสด็จเป็นณนถะ้ำกลางเพื่อนหญิง เหมือนสายฟ้าแลบออกจากเมฆได้เสด็จเข้าสู่จันท ก, กะประศาสครั้นเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหะถวายบังคมพระบิดาผู้ทรงยินดีในคำแนะนำแล้วประทับอยู่บนพระพัทรบิดอันขจิตด้วยทองณที่อันสมควรพระเจ้าวิเทหะทอดพระเนตรเห็นพระนางรุจาประทับอยู่่กลางพระสหายหญิงซึ่งเป็นเสมือนสมาคมของนางเทพอับซรจึงได้ตรัสพระดาริดังนี้ว่า ลูกหญิงยังเรื่นรมอยู่ในปราสาทและสะบกขรนีในภายในอุทยานอยู่หรือคนเหล่านั้นยังนำของเสวยเป็นอันมากมาให้ลูกหญิงอยู่เสมอหรือลูกหญิงและเพื่อนหญิงของลูกยังเก็บดอกไม้หลายชนิดมาร้อยเป็นพวงมะลัยทำเรือนหลังเล็กๆแต่ละหลังเล่นเพลิดเพลิน อ, อยู่หรืออีกประการหนึ่งลูกหญิงยังขาดแคลนบกพร่องอะไรบ้าง คนเหล่านั้นรีบนํำสิ่งของมาให้ทันใจลูกหรือลูกรักผู้มีพักผ่องใสลูกจงทําใจของเจ้าให้ผ่องใสเช่นกับดวงจันทรเถิดพระนางรุจาราชธิดาได้สดับพระราชด âm รัสของพระเจ้าวิเทหะแล้วได้กราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่มหาราชมอมฉันได้สิ่งนี้ทั้งหมดในสํานักของพระองค์พรุ่งนี้สิบห้าค่ำเป็นวันทิพย์ ขอราชบุรุษ ท, ทั้งหลายจงนำพระราชทรัพย์พันหนึ่งมาให้หมอมฉันหม่อมฉันจกให้ทานแก่วั น, นิพกทั้งปวงตามที่เคยให้มาพระเจ้าอังคติได้สดับพระดำรัสของพระนางโรจาแล้วตรัสว่าลูกหญิงทำลายทรัพย์ห้พิหนาทไปเสียเป็นจำนวนมากหาผลประโยชน์ไม่ได้ลูกหญิงรักษาอุโบสถศีลไม่บริโภคข้าวน้าเป็นนิดลูกหญิงจะต้องไม่บริโภคข้าวน้าเป็นนิด บุญไม่มีแก่ผู้ไม่บริโภคแม้นายวีจกะได้ฟังคำพูดของคุณาชีวะกะกัสปะโคตในเวลานั้นถอนหายใจฮึดฮัดร้องไห้หลังน้ำตาแล้วลูกหญิงรุจาเอย๋ยตราบใดที่ลูกยังมีชีวิตอยู่ก็อย่าได้อดอาหารเลยปรโลกไม่มีหรอกลูกหญิงจะลำบากเดือดร้อนไปทำไมไร้ประโยชน์พระนางโรจาผู้มีพระชวีวันงดงาม ได้สดับพระราชด âm รัสของพระเจ้าวิเทหะแล้วก็ทรงทราบกฎธรรมดาในอดีตเจ็ดชาติในอนาคตเจ็ดชาติกราบทูลพระบิดาดังนี้ว่าแต่ก่อนหม่อมฉันได้แต่ฟังเท่านั้นหม่อมฉันได้เห็นข้อนี้อย่างประจักษ์ว่าคนใดคบหาคนพานผู้นั้นก็พลอยเป็นพานไปด้วยเพราะว่าคนหลงอาศัยคนหลงก็ยิ่งเข้าถึงความหลงหนักขึ้น ลาตะเสนาบดีและนายวีชะกะสมควรจะหลงข้าแต่ส ม, มุติเทพส่วนพระองค์ทรงพระปรีชาเป็นนักปราดทรงฉลาดในอัดจะทรงเป็นเหมือนพวกคนพาลเข้าถึงทิฐิต่ำซามได้อย่างไรแม้ท่าสัจจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏการบวชของคุณาชีวกะก็ไร้ประโยชน์เขาเป็นคนหลงไหลงมงายจะเข้าถึงความเป็นคนเปลย เหมือนแมลงหลงบินเข้ากองไฟที่ลุกโชนคนส่วนมากผู้ไม่รู้อะไรพอได้ฟังคำของคุณาชีวะกะว่าความหมดจดมีได้ด้วยการท่องเที่ยวไปในสังสารวัตก็เชื่อมั่นเสียก่อนทีเดียวจึงพากันปฏิเสธกรรมและผลของกรรมผลที่เคยยึดถือผิดมาก่อนยากที่จะแก้ได้เหมือนปลาติดเบ็ดยากที่จะแก้ตนออกจากเบ็ดได้ข้าแต่มหาราช หม่อมฉันจักยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบเพื่อประโยชน์แก่ทุนกระม่อมเองบัณฑิตบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้เนื้อความได้ด้วยการเปรียบเทียบเหมือนเรือของพ่อค้าบรรทุกสินค้าหนักเกินประมาณย่อมทําสินค้าที่หนักยิ่งจมดิ่งลงในมหาสมุทรชั้นใดคนสั่งสมบาปกรรมไว้ทีละน้อยทีละน้อยก็จะพาเอาบาปกรรมที่หนักอย่างยิ่งจมดิ่งลงในนรกชั้นนั้นเหมือนกัน ขอเดชะเสด็จพ่อผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอกุศลอันหนักของอลาตะเสนาบดียังไม่บริบูรณ์ก่อนอลาตะเสนาบดีสังสมแต่บาปที่เป็นเหตุให้ไปทุกขติขอเดชะเสด็จพ่อผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินการที่อลาตะเสนาบดีได้รับความสุขอยู่ในบัดนี้เป็นผลบุญที่ตนได้เคยทําไว้ในปางก่อนนั่นเองพระเจ้าค่ะ บุญของอลาตะเสนาบดีนั้นกำลังจะหมดสิน้นจริงอย่างนั้นบัดนี้ลาตะเสนาบดีจึงกลับมายินดีในอกุศลธรรมที่ไม่ใช่คุณเลิกละทางตรงไปตามทางผิดตราช่างที่กำลังช่างของต่ำลงข้างหนึ่งเมื่อเอาของหนักออกข้างที่ต่ำจะสูงขึ้นชั้นใดนรชนก็ชั้นนั้นเหมือนกันเมื่อสั่งสมบุญทีละน้อยทีละน้อยย่อมไปสู่สวรรค์ เหมือนนายวิชะกะผู้เป็นทาสยินดีในกรรมอันงามนายวิชะกะผู้เป็นทาสทุกข์ในตนวันนี้เพราะได้ประสบบาปกรรมที่ตนเคยได้ทําไว้ในปางก่อนนั่นเองบาปกรรมของเขากําลังจะหมดสิ้นไปบัดนี้เขาจึงกลับมายินดีในข้อแนะนําทูกลกระหม่อมอย่าคบกับสปะคู่นาชีวะกะเลยขอพระองค์อย่าดําเนินทางผิดเลยข้าแต่พระบิดา บุคคลคบบุคคลเช่นใดเป็นสัตบุรุษผู้มีศีลหรือสอัตบุรุษผู้ไม่มีศีลเขาย่อมตกยุนอำนาจของบุคคลนั้นเท่านั้นบุคคลทำคนเช่นใดให้เป็นมิตรและคบหาคนเช่นใดแม้เขาก็ย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันก็เป็นเช่นนั้นผู้คบย่อมแปดเปื้อนคนคบผู้สัมผัสย่อมแปดเปื้อนคนสัมผัสเหมือนลูกสอนอาบยาพิษย่อมเปื้อนแล่ง เพราะกลัวจะแปดเปื้อนนักปราศไม่ควรมีคนชั่วเป็นสหายการครบหาคนพานก็เหมือนคนเอาใบไม้ห่อปลาเน่าแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปด้วยการครบนักปราศก็เหมือนคนเอาใบไม้ห่อกลิณาแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นหอมฟุ้งไปด้วยเพราะฉะนั้นบัณฑิตรู้ความเป็นบัณฑิตของตนดังใบไม้สำหรับห่อแล้วจึงเลิกคบอสัตว์บุรุษคบแต่สัตวบุรุษ สัตว์บุรุษย่อมนำไปสู่นรกส่วนสัตว์ปุรุษย่อมนำให้ถึงสุคติแม้หม่อมฉันก็ระลึกชาติที่ตนได้ท่องเที่ยวมาแล้วได้เจ็ดชาติและรู้ชาติที่ตนจุติจากโลกนี้แล้วจะไปเกิดในอนาคตอีกเจ็ชาติข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปกครองประชาชนชาติที่เจ็ดของหม่อมฉันในอดีตหม่อมฉันได้เกิดเป็นบุตรชายของนายช่างทองในกรุงราชครื้อแคว้นมาคต ม่อมฉันอาศัยสหายชั่วทำบาปกรรมไว้มากเที่ยวประพฤติผิดในพัญญาของผู้อื่นเหมือนจะไม่ตายกรรมนั้นยังไม่ทันให้ผลเหมือนไฟที่ถูกกลบไว้ด้วยเท่าต่อมาด้วย ก, กรรมอื่นๆหม่อมฉันจึงได้เกิดในแคว้นวังสะข่าแต่มหาราชม่อมฉันเป็นบุตรคนเดียวในตระกูลเศรษฐีที่มั่งคั่งสมบูรณ์มีทรัพย์มากในกรุงโกสัมพีได้รับสักการะบูชาอยู่เป็นนิ ในชาตินั้นมมอมชันได้คบหามิสหายผู้ยินดีในกรรมอันงามผู้เป็นบัณฑิตเป็นพหูสูตรสหายนั้นได้แนะนำให้มมอมชันตั้งอยู่ในกรรมอันเป็นประโยชน์หมอมชันได้รักษาอุโบสถศีลในวัน1 4บ่ํามห้าขาตลอดราตรีเป็นอันมากกรรมนั้นยังไม่ทันให้ผลเหมือนขุมทรัพย์ที่ถูกฝังไว้ใต้น้าครั้นต่อมาบรรดาบาปกรรมทั้งหลาย กรรมคือการล่วงละเมิดพัญญาของผู้อื่นใดที่หม่อมฉันได้กระทำไว้ในแคว้นมคตผลของกรรมนั้นได้มาถึงหม่อมฉันเข้าแล้วในภายหลังเหมือนดื่มยาพิษอันร้ายแรงข้าแต่พระเจ้าวิเทหะหม่อมฉันจุติจากตระกูลเศรษฐีในกรุมโกลสัมผีนั้นแล้วต้องหมกไม่อยู่ในโรรุวะนรกตลอดกาลนานเพราะกรรมของตนหม่อมฉันระลึกถึงทุกข์ที่ตนเคยได้สวยมาในนรกนั้น ไม่ได้รับความสุขเลยมอมฉันทําทุกมากมายให้หมดสิ้นไปในนรกนั้นมากมายหลายปีแล้วจึงเกิดเป็นลาถูกตอนอยู่ในพิ น, นาคาตนครพระเจ้าค่ามอมฉันต้องพาลูกอมาดไปด้วยหลังบ้างด้วยรถบ้างนั่นเป็นผลของกรรมที่ล่วงละเมิดปัญญาของคนเอิญของมอมฉันข้าแต่พระองค์ผู้ครองแคววิเทหะมอมฉันจุติจากชาเป็นลานั้นแล้ว ได้ไปเกิดเป็นลิงในป่าใหญ่ถูกหัวหน้าฝูงตัวขนองกัดลูกอันทะาออกนั่นเป็นผลกรรมที่ล่วงละเมิดปัญญาของคนอื่นของหม่อมฉันข้าแต่พระเจ้าวิเทหะหม่อมฉันจุติจากชาติเป็นลิงนั้นแล้วได้ไปเกิดเป็นโคในแคว้นทศนณนะถูกตอนมีกำลังแข็งแรงดีหม่อมฉันต้องเทียมยานอยู่เป็นเวลานา น, าน นั่นเป็นผลของกรรมที่ล่วงละเมิดพัญญาผู้อื่นของหม่อมฉันข้าแต่พระเจ้าวิเทหะหม่อมฉันจุติจากชาติเป็นโคนั้นแล้วได้ไปเกิดเป็นกระเทยในตระกูลที่มีโภอสมบัติมากในแคว้นวัชจีจะได้เกิดเป็นมนุษย์ก็แสนยากนั่นเป็นผลของกรรมคือการล่วงละเมิดพัญญาของคนอื่นของหม่อมฉันข้าแต่พระเจ้าวิเทหะหม่อมฉันจุติจากชาติเป็นกระเทนั้นแล้ว ได้ไปเกิดเป็นนางอับซรในพระอุทยานนันทวันชั้นดาวดึงสัพพิภพมีฉวีวันงามน่ารักใคร่มีผ้าและอาภรณงามวิจิตใส่ต้มหูวแก้วมณีเก่งในการฟ้อนรําขับร้องเป็นปริจาริกาของเท้าสักกะข้าแต่พระเจ้าวิเทหะเมื่อมอมฉันอยู่ในชั้นดาวดึงสัพพิภพนั้นราลึกชาติแม้ในอนาคตได้อีกเจ็ดชาติ ที่หม่อมฉันจุติจากดาวดึงสพิภพนั้นแล้วจะเกิดต่อไปกุศลที่หม่อมฉันได้ทําไว้ในกลุ่มโกสัมพีได้ตามมาให้ผลหม่อมฉันจุติจากดาวดึงส พ, พิภพแล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ข้าแต่มหาราชหม่อมฉันนั้นได้รับสักการะบูชาเป็นนิตมาตลอดเจชาติหม่อมฉันไม่พ้นจากความเป็นหญิงตลอดหชาติข้าแต่ส ม, มุติเทพชาติที่เจ็ด หม่อมฉันจักได้เกิดเป็นเทวดาผู้ชายเคยเป็นเทพปบุตรผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้สูงสุดในหมู่เทวดาแม้วันนี้เรานั่งอับซอนผู้เป็นปริจาริกาของหม่อมฉันยังช่วยกันร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยอยู่ในพระอุทยานนันทวันเทพปบุตรนามว่าชวะยังรับพวงมาลัยของหม่อมฉันอยู่สิหกปีในมนุษย์นี้เป็นเหมือนครู่หนึ่งของเทวดาร้อยปีของมนุษย์ เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาดังที่ได้กราบทูลมานี้กรรมทั้งหลายติดตามไปได้แม้ตั้งอสงไขยชาติด้วยว่ากรรมจะดีหรือชั่วก็ตามย่อมไม่พินาศไปบุคคลใดปรารถนาจะเป็นชายทุกๆชาติไปบุคคลนั้นพึงเว้นพัญญาผู้อื่นเสียเหมือนคนล้างเท้าสะอาดแล้วเว้นเปลือกตมหญิงใดปรารถนาจะเป็นชายทุกๆชาติไป หญิงนั้นก็พึงยำเกรงสามีเหมือนนางเทพอับสรผู้เป็นปริจาริกายำเกรงพระอินผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์อายุยศและสุขทิพย์ผู้นั้นพึงเว้นบาปทั้งหลายแล้วประพฤติธรรมสามอย่างเถิดหญิงหรือชายก็ตามไม่ประมาทด้วยกายวาจาใจเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ของตนมนุษย์เหล่าใดในชีวิตโลกนี้ เป็นผู้มียศมีภกทรัพย์บริบูรณ์ทุกอย่างมนุษย์เหล่านั้นได้สังสมกรรมดีไว้ในชาติปางก่อนโดยไม่ต้องสงสัยสัตว์ทั้งปวงล้วนมีกรรมเป็นของของตนข้าแต่ส ม, มุติเทพขอพระองค์ทรงพระราชดา m ิด้วยพระองค์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชนพระสนมผู้ทรงโฉมงามปานดังนางเทพ อ, อักษรประดับประดาคลุมกายด้วยไข่ทองเหล่านี้ พระองค์ทรงได้มาพระผลแห่งกรรมอะไรพระนางรู้จาราชกัญญาทรงให้พระเจ้าอังคติพระชนกนาถพอพระไทยพระราชกุมารีผู้มีวัดดีงามทรงกราบทูลทางแห่งสุขติแก่พระชนกนาถพระองค์นั้นแล้วเหมือนบอกทางให้แก่คนหลงทางและได้กราบทูลข้อธรรมถวายด้วยประการศนี้ต่อมานารถามหาพรมตรวจ ด, ดูชมพูทวีป ได้เห็นพระเจ้าอังคติจึงลงมาจากพรมโลกถึงถิ่นมนุษย์ลำดับนั้นนารถามหาพรหมได้ยืนอยู่ที่ประสาสเบื้องพระพักของพระเจ้าวิเทหะพระนางรุจาราชกัญญาได้เห็นนารทเรศีนั้นมาถึงที่แล้วจึงนมัสการครั้งนั้นพระราชาทรงมีพระทัยหวาดกลัวเสด็จลงจากราชาอาณจเมื่อจะตรัสถามนารทเรศีจึงได้ตรัสพระดารัต ด, ดังนี้ว่า ท่านผู้มีผิวงามดังเทวดาส่งสว่างไปทั่วทุกทิศดังดวงจันทร์ท่านมาจากที่ไหนหนอะข้าพเจ้าถามแล้วขอท่านจงบอกนามและโคดแก่ข้าพเจ้าคนทั้งหลายในมนุษย์โลกย่อมรู้จักท่านได้อย่างไรนารทธาฤศีกราบทูลว่าอาตมาภาพมาจากเทวโลกนาะบัตินี้เองส่งสว่างไปทั่วทุกทิศดังดวงจันทร์มหาปพิตรัสถามแล้ว อาตามาภาพขอถวายพระพรนามและโคดให้ทรงทราบคนทั้งหลายรู้จักอาตามาภาพโดยนามว่านารทะและโดยโคดว่ากัสปะพระราชาตรัสถามว่าสัญฐานของท่านการที่ท่านเหาะไปและยืนอยู่บนอากาศได้หน้าอัศจรรย์ท่านนารทะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใ่ท่านจึงมีฤทธิ์เช่นนี้ นาระทรฤาษีทูลตอบว่าคุณธรรมสี่ประการนี้คือหนึ่งสัจจะสองธรรมสธรรมะสจาคะคอาตมภาพได้ทำไว้แล้วในภพก่อนเพราะคุณธรรมที่อาตมภาพได้เสภมาดีแล้วนั่นแหละอาตมภาพจึงไปได้เร็วทันใจตามความปรารถนาพระราชาตรัสถามว่าเมื่อท่านบอกความสำเร็จแห่งบุญ ชื่อว่าท่านบอกความอัศจรรย์ถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านกล่าวท่านนาระทะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านขอท่านจงพยากรณ์ให้ดีนาระทะฤศีทุลตอบว่าขอถวายพระพรมหาภิฏข้อใดพระองค์ทรงสงสยัยขอเชิญมหาปิฏตรัสถามข้อนั้นกับอัตมาภาพเถิดอัตมาภาพจะวิสัชนาถวายให้มหาปิฏทรงสิ้นสงสยัย ทั้งโดยในด้วยความรู้และด้วยเหตุผลพระราชาตรัสถามว่าท่านนารทะเขาพรเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านท่านอย่าได้กล่าวมุสาต่อข้าพเจ้าที่คนพูดกันว่าเทวดามีมารดาและบิดามีปรโลกมีนั้นเป็นจริงหรือนารทะฤษีทุลตอบว่าที่คนพูดกันว่าเทวดามีมารดาและบิดามี และประโลคมีนั้นเป็นจริงทั้งนั้นแต่คนทั้งหลายหมกมุ่นติดใจลหลงไหลงมงายในการมาคุณจึงไม่รู้จักปรโลคพระราชาตรัสถามว่าท่านนาระทะถ้าท่านเชื่อว่าปรโลคมีจริงเหล่าสัตว์ที่ตายไปแล้วก็ต้องมีที่อยู่ในปรโลคขอท่านจงให้ทรัพห้าร้อยแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้แหละข้าพเจ้าจะให้แกียท่านพันหนึ่งในปรโลก นารธาฤสีทูลตอบว่าถ้าอาตมาภาพรู้ว่ามหาประพิธทรงมีศีลทรงรู้ความประสงค์ของพวกผู้ขออาตมาภาพก็จะให้มหาประพิธสักห้าร้อยแต่มหาประพิธหยาบช้าทรงจุติจากโลกนี้แล้วจะต้องไปอยู่ในนรกใครเล่าจะพึงไปทวงทรัพย์ 1,000 พันในปรโลกได้ผู้ใดในโลกนี้ไม่มีศีลธรรมประพฤติชั่วเกียดคร้านมีกรรมหยาบ บัณฑิตทั้งหลายไม่เ้กู้หนี้ในผู้นั้นเพราะจะไม่ได้ทรัพย์คืนจากคนเช่นนั้นส่วนคนขยันมันเพียนมีศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอคนทั้งหลายรู้แล้วย่อมนำโพกรัพย์มาเชื้อเชิญเองโดยคิดว่าผู้นี้ทำการงานเสร็จแล้วพึงนำมาใช้คืนให้ขอถวายพระพรมหาบพิจุติจากที่นี้แล้วจากทอดพระเนรเห็นพระองค์เองอยู่ในนรกนั้น ถูกฝูงกาเยื้อแย่งฉุกคร่าอยู่ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์หนึ่พันในปรโลกกับมหาปิพิตผู้ตกอยู่ในนรกซึ่งถูกฝูงกาแรง้งและสุนัขรุมกัดกินตัวขาดกร ะ, ะจายเลือดไหลโศมอยู่ในโล ก, กันตานรกนั้นมืดมิดที่สุดไม่มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โลกันตานรกนั้นมืดมิดอยู่เป็นนิดน่ากลัวกลางคืนกลางวันไม่ปรากฏ ผู้ต้องการทรัพย์ใครเล่าจะพึงเที่ยวไปในสถานที่นั้นได้ในโลกันตานรกนั้นมีสุนัขสองตัวคือสุนัขด่างและสุนัขดำคล้ำ ม, มีตัวกำยำล่ำสันแข็งแรงพากันใช้เขี้ยวเหล็กกัดกินผู้ที่จุติจากมนุษย์โลกนี้แล้วไปตกอยู่ในนรกใครเล่าจะพึงไปทวงทรัพย์หนึ่พันในปรโลกกับมหาปพิธผู้ถูกฝูงสุนัขทารุณโหดร้าย ตัวนำทุกมาให้รุมกัดกินอยู่อยู่ในนรกจนตัวขาดกระจัด ก, กระจายเลือดไหลโสมและในนรกที่โหดร้ายมีพวกนายนิริยาบาลชื่อกาละและอุปกาละผู้เป็นข้าศึกใช้ดาบและหอกที่รับไว้เป็นอย่างดีเชือชอเชอญและทิมแทงคนผู้ทํากรรมชั่วไว้ในพบก่อนใครเล่าจะพึงไปทวงเอาทรัพย์หนึ่งพันในปารโลกกับมหาปพิธ ผู้ถูกทิมแทงเข้าที่พระอุทรที่พระปรดที่พระอุทรพลุนวิ่งไปมาอยู่ในนรกมีตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโซมได้ในโล ก, กันตะนรกนั้นมีหาฝนชนิดต่างๆคือฝนหอกฝนดาบฝนแหลนฝนเหลามีประกายลูกวาวเหมือนฐานเพลิงตกลงบนศีรษะซ้ายอัศนีบาทสิลาแดงโชน ตกลงทับสัตว์นรกผู้มีกรามหยาบช้าและในนรกนั้นมีลมร้อนอันยากที่จะทนได้สัตว์ในนรกนั้นไม่ได้รับความสุขแม้แต่น้อยใครเล่าจะพึงไปทวงทรัพย์1นึ่พนในปรโลกกับมหาปพิตผู้ทรงกระสับกระส่ายวิ่งพลานไปมาหาที่ซ่อนเร้นไม่ได้ใครเล่าจะพึงไปทวงทรัพย์หนึ่งพนในปรโลกกับมหาปพิตผู้ถูกเทียมไว้ในรถวิ่งไปมาอยู่ ต้องทรงเหยียบแผ่นดินที่ลุกโชนถูกทิ่มแทงด้วยดีด้วยปตักอยู่ได้ใครเล่าจะพึงไปทวงทรัพย์หนึ่งพันกับมหาประพิธผู้ทนอยู่ไม่ได้วิ่งไปขึ้นภูเขาที่ดา ร, ราดาษไปด้วยขวากรดลุกโชนน่าสยดสยองอย่างยิ่งมีตัวถูกตัดขาดหลังเลือดไหลโศมอยู่ได้ใครเล่าจะพึงไปทวงทรัพย์หนึ่พันในปรโลกกับมหาปพิธ ผู้ต้องวิ่งขึ้นไปเหยียบฐานเพลิงกองเท่าภูเขาที่ลุกโชนน่ากลัวมีตัวถูกไฟไหม้ทนไม่ไหวร้องครวญครางอย่างน่าสงสารอยู่ได้ต้นยิ้วสูงเทียมเมฆเต็มไปด้วยน้ำเหล็กคมกระหายจะดูดดื่มเลือดคนหญิงทั้งหลายที่ประพฤตินอกใจสามีและชายหญิงทั้งหลายที่เป็นชู้กับพันยาของคนอื่นถูกนายนิริยบาลผู้ทาตามคาสั่งของพยายม เธอหอกไล่ทิมแทงให้ขึ้นต้นยิ้วนั้นใครเล่าจะพึงไปทวงทรัพย์นั้นกับมหาประพิษผู้ต้องปีนขึ้นต้นนิ้วในนรกมีเลือดไหลเประเปื้อนมีกายไม่เกรียมมีหนังและเนื้อถลอกปอกเปิกกระสับกระส่ายสวยเวทนาอย่างหนักใครเล่าจะพึงไปทวงทรัพย์นั้นกับมหาประพิษผู้เหนื่อยหอบมีความผิดเพราะบุปกรรมในทางผิด เนื้อตัวมีหนังถลอกปอกเปลือกไปต้นยิ้วสูงเทียมเมฆเต็มไปด้วยใบเหล็กคมดังดาบกระหายจะดูดดื่มเลือดคนใครเล่าจะพึ่งไปทวงทรัพย์หนึ่งพันกับมหาประพิษผู้กำลังปีนขึ้นต้นยิ้วนั้นก้าวไปเหยียบใบเหล็กอันคมเหมือนดาบก็ถูกดาบอันคมนั้นบาดตัวขาดกระ จ, ระจายเลือดไหลโศมอยู่ในปรโลกได้ รั์จานวนนั้นใครเล่าจะเพิงไปขอกับมหาปพิธผู้เดินหนีออกจากคุ้มนรกไม้ยิ้วมีใบเป็นดาบพลัดตกลงไปสู่แม่น้ำเวตระนีได้แม่น้ำเวตระนีมีน้ำเป็นกรดหยาบแข็งเผ็ดร้อนข้ามได้ยากปกคลุมไปด้วยบัวเหล็กมีใบแหลมคมไหลไปอยู่ทรัพย์จํานวนนั้นใครเล่าจะไปขอกับมหาปพิธ ผู้มีตัวขากระจัด ก, กระจายมีเลือดเปืะอเปื้อนลอยอยู่ในแม่น้ำเวตรณีที่นั้นหาที่เกาะไม่ได้พระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าแทบจะล้มเหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดข้าพเจ้าหลงสำคัญผิดจึงไม่รู้จักทิศท่านเรือศีข้าพเจ้าได้ฟังคถาภาษิตของท่านแล้วร้อนใจเพราะกลัวมหาภัยท่านเรืรีขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า เหมือนน้ำสำหรับแก้กระหายในเวลาร้อนเหมือนเกาะเป็นที่พึ่งของพวกคนที่มีเรืออับปางหาที่พึ่งไม่ได้ในมหาสมุทรและเหมือนดวงประทีปสำหรับส่องทางของพวกคนผู้เดินทางเมือเถิดท่านฤาษีขอท่านจงสอนอัดและทำแก่ข้าพเจ้าในการกรข้าพเจ้าด้ทำความผิดไว้ส่วนเดียวท่านนารทะขอท่านจงบอกทางบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้า โดยที่ข้าพเจ้าจะไม่พึงตกไปในนรกด้วยเถิดนารถารือสีกลาบทูลว่าพระราชาหกพระองค์นี้คือ 1. เท้าทตาระสะ 2. เท้าวเวสามิตะ 3. เท้าอัทธกะ 4. เท้ายามัททคิ 5. เท้าอุสินนระ 6. เท้าสิวิราชได้ทรงบำรุงสมณะและพรามทั้งหลายแล้ว พระราชาเหล่านั้นและพระราชาเหล่าอื่นเสด็จไปสู่สวรรค์ชั้นใดมหาปภิษผู้เป็นเจ้าแผ่นดินแม้มหาปภิษก็ฉันนั้นจงทรงเว้นอธรรมแล้วทรงประพฤติ ธ, ธรรมเถิดราชบุรุษทั้งหลายจงถืออาหารไปประกาศในพระราชนิเวศและภายในพระนครว่าใครหิวใครกระหายใครปรารถนาดอกไม้ใครปรารถนาเครื่องรูปไล ใครไม่มีผ้านุ่งหม่มก็จงนุ่มห่มผ้าสีต่างๆตามปรารถนาเถิดใครต้องการร่มใครต้องการรองเท้าที่อ่อนนุ่มสวยงามในทางเปลวราชบุรุษทั้งหลายจงประกาศไปดังนี้ในพระนครของพระองค์ทั้งในเวลาเย็นและเวลาเช้ามหาบพิษจงอย่าใช้งานคนแก่โคแก่และม้าแก่เหมือนแต่ก่อน และจงพระราชทานเครื่องบริหารแก่คนที่มีกาลังซึ่งเคยได้ทําความดีไว้เท่าเดิมเถิดมหาบพิษจงสําคัญพระวรากายของพระองค์ว่าเป็นดังรถมีใจเป็นนายสารธีกระปลื้เกปรามีอวิหิงสาเป็นเพลามีปริจาคะเป็นหลังคามีการสํารวมเท้าเป็นกงมีการสํารวมมือเป็นดุมมีการสํารวมท้องเป็นน้ํามันหยอด มีการสำรวมวาจาเป็นความเงียบสนิทมีการกล่าวคำสัตว์ปเป็นส่วนประกอบรถที่บริสุทธิ์มีการไม่กล่าวคำส่อเสียดเป็นการเข้าหน้าไม้ได้สนิทมีการกล่าวคำอ่อนหวานเป็นเครื่องรถที่ เ, เกลี้ยกล่อมมีการกล่าวพอประมาณเป็นเครื่องผูกมัดมีศรัทธาและความไม่โลภเป็นเครื่องประดับมีความถ่อมตนและการทำอัญชลีเป็นทูบมีความไม่แข็งกระด้างเป็นงอน มีความสำรวมศีลเป็นเชือขันชนะมีความไม่กโกรธเป็นเครื่องกัรกระทบกระทั่งมีคุณธรรมเป็นเสเวตฉัติมีพาหุสัจจะเป็นสายผ่านมีจิตตั้งมั่นเป็นที่มั่นมีความคิดรู้จากการเป็นไม้แกน่นมีความกล้า้าเป็นไม้คำสามแฉกมีความประพฤติถ่อมตนเป็นเชือขันแอกมีความไม่เยื่หยิงเป็นแอกเบา มีจิตไม่โหดโหเป็นเครื่องลาบมีกางคบคนผู้เจริญเป็นเครื่องกำจัดธุลีนักปราชญ์มีสติเป็นปตักมีความเพียรและการใช้การปฏิบัติเกื้อกูลเป็นสายบางเหียนมีใจที่ฝึกฝนดีแล้วเหมือนม้าที่ได้รับการฝึกสม่าเสมอเป็นเครื่องนำทางความปรารถนาและความโลภเป็นทางคตส่วนความสำรวมเป็นทางตรงขอถวายพระพรมหาบพิษ ปัญญาเป็นเครื่องทิมแทงมา้ า, มาน ใ, นนในรถคือพระวรกายของมหาปิฏฐ์ที่กําลังโลดแล่นไปในรูปเสียงกลิ่นรสในรถคือพระวรกายของมหาปิฏฐ์นั้นมีตนคือจิตของพระองค์เท่านั้นเป็นนายสารถีถ้าความประพฤติชอบและความเพียรมั่นคงมีอยู่กับยานนี้รถนั้นจะให้สมบัติที่น่าใคร่ได้ทุกอย่างและไม่นําไปเกิดในนรก พระศาสดาทรงประชุมชาดกดังนี้อลาตะเสนาบดีเป็นพระเทวทัตสุนามะอมมาดเป็นพระพัทชิวิชัยอมมัดเป็นพระสารีบุตรชีวะกะบุรุษเป็นพระโมคลานะสุนักะตะเป็นบุตรของเจ้าลิชวีคูนาชีวะกะเป็นชีเปลยพระนางรุจาราชธิดาผู้ทรงนมพระราชาให้ทรงเลื่อมใสเป็นพระอานนท์ พระเจ้าอังคติผู้มีทิฏฐิชั่วในครั้งนั้นเป็นพระอุรุเวลกัสปะเท้ามหาพรหมโพธิสัตว์เป็นเราตถาคตพวกเธอจงทรงจำชาดกไว้ด้วยประการันนี้แลมหานาทะกัสปะชาดกที่แปด